ผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสภายในใจก็เท่ากับผู้กําลังเดินทางไปตามดงหนาป่าทึบที่เต็มไปด้วยกิเลสชนิดต่างๆทั้งชนิดหน้ากลัวทั้งชนิดหน้ากล้าทั้งชนิดหน้ารักทั้งชนิดหน้าชังน่าเกลียดหน้าโกรธหน้าร้องไห้หน้าหัวเราะหน้าอินฉาราคาใจหน่ากระยิ่งยิ้มย่องจนพรนนาไม่จบดังท่านว่ากิเลสพันห้าสัหร้อยแปดซึ่งส่องสมเรียงรายดาดาัดกวางหน้าปฏิบัติคาข้อปฏิบัติ อันเป็นเส้นทางผ่านไปไม่มีเว้นระยะที่ผู้เดินทางจะพอหายใจได้บ้างเลยกิเลงมวลที่พัฒ น, นาไมา่จบสิ้นลงได้นี้ล้วนมีอยู่ในตัวสัตว์โลกเต็มไปหมดไม่ปรากฏรายใดว่าจะไม่มีสิ่งโรคคร u งรังเหล่านี้ซ่องสมอยู่เลยผู้เดินทางสายนี้ต้องใช้สติปัญญาสทัทธาความเพียรเป็นเครื่องบุกเบิกพอผ่านไปได้เป็นระยะระยะโดยมีความมุ่มั่เป็นต้นช่วยสนับสนุน ถ้าเป็นรถยนต์ก็เท่ากับเกียร์ช่วยให้รถมีกําลังบุกตมบุกโรลจนผ่านพ้นไปได้ความมุมานะนี้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมผู้หวังพึ่งตัวเองเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยไม่ประสงค์เป็นคนขาดสนจนมุมเพราะความทุกร้อนต่างๆอันจะเกิดจากความขาดแคลนกันดานหรือเกิดเพราะกิเลสชนิดต่างๆทับถมหัวใจจําต้องได้นํามาใช้ในกิจการต่างๆเพื่อสําเร็จผลตามความมุมม่งหมายเป็นตอนๆไป ยิ่งผู้ตั้งรายรับไว้สูงก็ยิ่งทุ่มเทกำลังทุกด้านลงชนิดไม่คำนึงถึงเป็นถึงตายกันเลยมุ่งจะให้งาน น, นั้นๆสำเร็จตามใจหวังด้วยทายเดียวดังพระธุดงค์ท่านฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆตามที่เขียนผ่านมาล้วนเป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมหาสมบัติคือมรรคผลิพานเป็นหลักชัยไรทุกความกังวลน้อยใหญ่ทั้งสิ่งจึงกล้าเสี่ยงต่อความทุกข์ความเป็นความตายไม่เสียดายชีวิต เช่นท่านเดินเข้าไปหาเสียงเสือที่กําลังขู่คารามกระหึ่มกระหึ่มอยู่อย่างน่ากลัวถ้าเป็นเราเราท่านๆก็น่ากลัวจะสิ้นลมหายใจเสียก่อนทั้งที่เสือยังไม่ได้เข้ามาถึงตัวเลยส่วนท่านผู้กล้าตายเพื่อทําอันเลิศยังอุตส่าห์เดินไปหาเสือได้อย่างน่าชมเชยซึ่งนับจํานวนเป็นร้อยคนจะหาสักคนก็น่ากลัวจะหาไม่เจอเมื่อเทียบเราเทียบท่าน ท, ท, ที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น ท่านจึงควรเป็นผู้ได้รับคำยกย่องชมเชยและเทิดทูนอย่างถึงใจว่าเป็นเลือดเนื้อแห่งนักรบของศักระยบุตรพุทธกินรศผู้กล้าตายในสงครามจริงๆสมกับคำเปล่งวาจาถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะนับแต่วันเริ่มบวชผู้กล้าตายถวายชีวิตเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาและสังค บ, บูชาด้วยใจจริงเป็นบุคคลที่หาได้ยากและเป็นพระที่หาได้ยากสมกับธรรมเป็นธรรมชาติที่เกิดได้ยากมาดั่งเดิม ผู้เพราะทำเพื่อให้เกิดในนิสัยสันดานชนิดประจักษ์ใจนั้นจึงมักเป็นผู้กล้าเสียสละทุกอย่างแม้ชีวิตก็ยอมสละได้ดังท่านที่เดินเที่ยวกลางภูเขาในเวลาค่ำคืนท่านที่เดินจงกรมแข่งกับเสียงเสือกระหึมรอบบริเวณที่พักในกลางคืนท่านที่ไปนั่งทําสมาธิภาวนาอยู่หน้าเหวชันชันลึกๆท่านที่ไปนั่งภาวนาอยู่ทางเสือเดินขึ้นลงจากถ้าเสือในเวลากลางคืน ท่านที่ไปนั่งภาวนาอยู่หินดานกลางภูเขาในเวลากลางคืนท่านที่เดินจงกรมทั้งที่เสือโคร่งใหญ่มานั่งดูอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านที่กําลังนั่งภาวนาอยู่ในมุง้งทั้งที่เสือแอบเข้ามาดูจนถึงมุง้งท่านที่นั่งภาวนาแต่หัวค่ำจนสวา่างท่านที่อดอาหารภาวนาเป็นเวลาหลายวันไม่ฉันท่านที่เดินจงกรมแต่หัวค่ำจนสวา่างท่านที่พยายามภาวนาอยู่ด้วยอิริยาบทสามคือยืนเดินนั่ง ไม่นอนเป็นคืนคืนและในบรรดาความเพียรที่ท่านพยายามทําอย่างเด็ดเด็ดเป็ดเผ็ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดร้อนๆไม่กลัวความทุกข์ความตายเหล่านี้ถ้าไม่มีความมุมานะแบบเอาชีวิตเข้าแลกจะสามารถฝืนความทุกข์ความทรมานไปได้อย่างไรต้องล้มเหลวไปอย่างไม่เป็นท่าแน่นอนแต่เพราะความเพียรแบบมุมานะเอาตายสู้นี่แหละแทนที่ท่านจะเป็นทุกข์หรือล้มละลายไปแต่กิเลสเป็นฝ่ายล้มละลายหายซาบไปจากใจไม่มีเหลือ กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆเหนือสิ่งที่เคยกดทุ่ง ใ, ใดๆทั้งนั้นดังนั้นความมาน่าขดีความมโหเครียแค้นให้กับกิเลสของตัวก็ดีจึงเป็นบาตฐานและกำลังช่วยให้งานที่ทำสำเร็จลงได้โดยปราศจากอุปสรรคนักปราท่านจึงชมเชยผู้เอาชนะตนว่าเยี่ยมกว่าจะเอาชนะผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นดดังบทธรรมว่าอาตาฮาเวชิตังเซโย ชั mn ะต้นนั่นแหลประเสริฐสุดด้วยเหตุนี้ความมุมานะกับความโมโหให้กิเลสของตัวจึงเป็นบุพเพโยคที่จะให้ถึงความเป็นผู้ชนะตนโดยสมบูรณ์เมื่อพรนาความมุมานะและความโมโหมายืดยาวก็คิดอยากจะนําเรื่องของพระธุดงค์กรรมฐานท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นกลางของท่านอาจารย์มั่นมาลงให้ท่านได้อ่านบ้างพอเป็นเรื่องประกอบกับธรรมบทว่าความมุมานะกับความโมโหให้กับกิเลสของตัว เละาท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกมีนิสัยหนักไปในธรรมสองบทนี้มาประจําปฏิปทาจนถึงสมัยปัจจุบันคือทุกวันนี้แต่ขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ก่อนว่าท่านเป็นพระสําคัญองค์หนึ่งในเวลานี้และยังมีชีวิตอยู่พอเอ่ยชื่อท่านเท่านั้นใครก็ทราบกันแทบทั่วประเทศไทยแต่ขอสมนนามดังที่เคยเรียนมาแล้วเพราะเป็นปฏิปทารวมพระธุดงค์ทั้งหลายที่ไม่ประสงค์ออกนามท่าน ท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยเด็ดเดียวเอาจริงเอาจังมากมาตั้งแต่เป็นครว่าเวลาบวชยิงมีนิสัยนั้นติดตัวมาด้วยยิ่งบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาจริงและสั่งสอนคนให้ทําจริงในสิ่งที่ควร้วยแล้วท่านยิ่งรู้สึกทราบซึ่งในหลักธรรมมากขึ้นโดยลําดับก่อนบวชทราบว่าท่านเคยมีครอบครัวมาก่อนแต่เกิดความเบื่อในในแสงสารวัตรมุ่งจะบำเพ็ญตนให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันถ้าไม่ตายเสียในระหว่าง ฉะนั้นพอบทแล้วจึงเที่ยวสาะสแสวงหาครูอาจารย์ผู้เฉียวชาญทางจิตตะภาวนาตอนก่อนปฏิบัติสมถานก็ทราบว่าท่านเคยได้รับอารมณ์ขยาวว่าก่อกวนใจธนาประการที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจากคนทั้งหลายทั้งเป็นพระทั้งเป็นครวา่าตว่าเวลานี้มรรคผลิพานหมดเขตหมดสมัยไปนานแล้วใครจะบาเพ็ญถูกต้องดีงามตามพระธรรมวิวนัยเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จตามใจหวังได้บ้า ว่าการบําเพ็ญภาวนาทําให้คนเป็นบ้าถ้าใครอยากเป็นบ้าก็าออกบําเพ็ญภาวนาถ้าใครยังอยากเป็นคนดีเหมือนชาวบ้านเขาก็าไม่ควรออกกรรมฐานเพื่อความเป็นบ้าบ้างว่าสมัยนี้เขาไม่มีพระธุดงกรรมฐานกันหรอกนอกจากพระธุดงกรรมฐานที่จำหน่ายตระกรุดคาถาวิชาอาคมของขลังต่างๆเช่นพกเสนียาแฝดอยู่ยงคงกระพันชาตรีดูเลิกงามยามดีดูชะตาราศีเท่านั้น ส่วนพระธุดงค์กรรมฐานที่ดําเนินตามทางพระธุดงนั้นไม่มีแล้วสําหรับทุกวันนี้อย่าไปทําให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเลยสู้อยู่สบายอย่างนี้ไม่ได้บ้างเวลาอุปสรรคที่กีดขวางทางออกบําเพ็ญธุดงค์ควักในเวลานั้นรู้สึกมีมากมายสําหรับท่านเองไม่ยอมฟังเสียงใครแต่ไม่คัดค้านให้เป็นความกระเทือนใจกันเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายในความรู้สึกที่ฝังลึอกอยู่ภายในท่านมีว่า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 เป็นนักษราหรือเป็นคนพานมีสันนานเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นคำกีีดการห่วงห้ามใดๆที่แสดงออกจึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะนำมาวินิจฉัยให้เสียเวลาเราจะต้องออกปฏิบัติกรรมฐานโดยท่ายเดียวในเมชานี้และจะค้นหาของจริงตามหลักธรรมที่ประทานไว้จนสุดกำลังความสามารถขาดดินสิ้นซากพระกรรมฐานคือตัวเราเองตายก็ยอมถวายชีวิตไว้กับพระธรรมดวงเลิศ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 กรุณาช่วยจำคำนี้ไว้ด้วยหากจะมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีกจะลืมไปเสียการที่เราจะมีโอกาสได้พบเห็นกันในอนาคตจึงมีอยู่เพียงอย่างเดียวดังที่เรียนแล้วท่านว่าขณะที่ผุ้คนส่วนมากทั้งพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งคราวาที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันว่าเป็นนักตราตาชัณฑิตพูดคัดค้านขีดกันอยู่นั้นใจเราเหมือนจะกัดเพชรทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียว แล้เหมือนจะเหาะเหินเดินไปในทางอากาศให้เขาดูในเวลานั้นรู้สึกมันมานะมันกระหยิบยิ้มย่มอยู่ภายในใจเรากับจะออกแสงแจ่มจ้าพุ่งออกมาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นเสียทีซึ่งเป็นลักษณะประกาศตนว่านี่ไงละ่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้านี้ไงละ่ะพากันเห็นหรือยังจะพากันโม่ประมาทข้าว่าจะไปเป็นบ้ารูกคำอะไรต่างๆนั้นเรือใจข้ากับใจท่านทั้งหลายมันไม่ได้เป็นใจดวงเดียวกัน พอจะกวาดรวบเข้ามาม้วสมชนุมกันตายแบบไม่มีคุณค่าราวกะหมาตายอย่างไรกันข้ายังไม่พอใจะจะตายตามแบบที่ท่านทั้งหลายจะพาตายอยู่เวลานี้ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้า พ, พาตายซึ่งไม่มีเชื้อแห่งพบเหลือล้ออยู่เลยตายแบบนี้ข้าเคยตายมาแล้วจนไม่สามารถจะพา น, นาป่าชาของตนได้แม้ไม่รู้ด้วยญาณข้าก็เชื่อพระ พ, พุทธเจ้าผู้ทรงญาณอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือนเสร็จแล้ว ก็ลาพระอาจารย์นักปราชทั้งหลายออกเดินทางท่ามกลางประชาชนจนํานวนมากมุ่งหน้าไปทางพระธาตุพนมเดินบุกป่าฟ้าดงไปได้เท้าตามทางล้อทางเกวียนเพราะสมัยนั้นถนนไม่มีแม้แต่รูปรางนอกจากทางคนเดินเท้าและทางเกวียนเท่านั้นในดงใหญ่นั้นช้างก็ชุมเสือก็มาสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีเต็มไปทุกขนทุกแห่งเพราะไม่มีบ้านผู้บ้านคนมากเหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนมีเต็มไปด้วยผู้คนบ้านเรือน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 ข่าวนั้นก็นว่าเป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่งเพราะไม่มีครูอาจารย์ให้ว่าสั่งสอนพอทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นไปพักบําเพ็ญเพียรอยู่ที่เชียงใหม่จึงพยายามตามหลังท่านไปโดยตางเที่ยวทัวดวงกรรมฐานไปเรื่อยๆตามลําแม่น้ําโขงจนรู้ถึงเชียงใหม่และเที่ยวบําเพ็ญอยู่ตามอําเภอต่างๆด้วยความสงบสุขที่ที่ท่านพักบําเพ็ญแต่และแห่งนั้นล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลาจากหมู่บ้านมาก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 เมื่อเข้าไปเรียนศึกษาข้ออัดข้อทำท่านก็เมตตาสั่งสอนอย่างเต็มภูไม่มีปิดบงังลีลับแต่ไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านว่าท่านก็พอใจที่ท่านเมตตาสั่งสอนในเวลาจำเป็นเข้าไปเรียนถามเมื่อหมดข้อคงใจแล้วก็กราบตาท่านไปบงเพ็ญตามลาพังมีการเข้าเข้าออกออกอยู่เสมอเมื่ออยู่นานไปบางปีท่านก็เมตตาให้เขาไปจามสาด้วย รู้สึกดีใจเหมือนตัวตร่อยที่พยายามมาหลายปีเพิ่งสําเร็จจากนั้นก็ได้จําภาษาข่านเรื่อยมาการบํำเพ็ญทางจิตตภาวนารู้สึกได้กําลังขึ้นเป็นลําดับตอนไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วพร้อมกับได้ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนําสั่งสอนใจจึงเหมือนจะเหาะจะบินด้วยอำ น, นาจแห่งความอิ่มเ อ, อิบในธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นรุ่มรุ่มดอนดอ น, นของใจเหมือนพักอยู่ที่อื่นๆ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 ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนเดินตุ้มเตียมเข้ามาในบริเวณด้านหลังกุฎีทักและเดินตรงเข้ามาหากุฎีท่านแต่เผ อ, อิญกุฎีด้านหลังมีม้าหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้พอมันเข้ามาถึงหินก้อนนั้นแล้วก็ห่วงสอดเข้ามาในกุฎีจนถึงปรดและมุ้งบนทีรษะท่านที่กําลังนั่งภาวนาอยู่เสียงสูตรลมหายใจดมกลิ่นท่านดังฟูดฟาดฟูดฟาด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 นานๆจะได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่นข้านอยู่นอกมุงครั้งหนึ่งแล้วเนียกไปจากนั้นก็เดินกลับออกไปทางด้านตะวันตกุูดีแล้วเอางวงล้วงเข้าไปใตะกร้ามาขามเกลียวที่ข้างต้นไม้ซึ่งโยมเขาเอามาไว้เพื่อขัดฟ้าบาดออกมากินเสียงเที้ยวดังกร้ม่มกร u วมอย่างอริสอร่อยท่านจะ น, นึกว่าทีนี้มาขามสาหรับขัดฟ้าบาดเราคงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอน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 จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าดื้อดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตีเขาเอาขอสับลงที่ศรีรษะพี่ชายให้ได้ไดรับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตายพี่ชาจงจําไว้อย่าได้ลืมคําที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนี้ต่อห น, นี้ไปพี่ชาจงรับศีลห้าน้องเป็นพระจะให้ศีลห้าแก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุข อย่างตามก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นลําดับดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเช่นช้างเป็นม้าให้เขาขับขี่เขี่ยตีและขนม้ขนฟืนซึ่งเป็นความลําบากทรมานจนตลอดตอนตายก็มาได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้พี่ชายจงตั้งใจฟังและตั้งใจรับศีลโดยเจตนาจริงๆคือข้อที่หนึ่งปานา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 อย่าเหยียบย่ำทำลายมันเป็นบาปข้อสามกาเมอย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของ ห, วงหัวแขนมันเป็นบาปถ้าจะเสพพวกคนเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ไม่มีเจ้าของจึงไม่เป็นบาปข้อสี่มุสาอยา่าโกหกหลอกลวงกิริยาแสดงออกให้ตรงต่อความจริงอย่าแสดงเป็นกิริยาที่หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อมันเป็นบาปข้อห้าสุรา อย่ากินของมึนเมามีสุราเมรายเป็นต้นกินแล้วเป็นบาปตายไปตกนรกทนทุกทรมานเป็นเวลานานตั้งกับข้างกันกว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรกแม้พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วยังมีเศษแห่งกรรมชั่วติดตัวมาอีกมาเสวยชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ติระฉานทรมานตามวิบากของตนที่เคยทำมากว่าจะได้มาเกิดเป็นคนจึงแสนลาบากเพราะกรรมชั่วกดสวงไวพี่ชายจงจาไว้ให้ดี และทําตามคําที่น้องสั่งสอนนี้จะได้พ้นจากกําเนิดของสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาในชาติต่อไปโดยไม่สงสัยเอาละ่ะน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชายจะยินดีทําตามต่อ น, นี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุข ก, กายสุขใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบําเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนบุญสนแทนเมตตาให้พี่ชายเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ดลละเมตตา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 ถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คงเคริบเคลิ้มหลงไหลอย่างไม่มีปัญหาเพราะเป็นครมัธยุภาสิษฐ์ที่หาฟังได้ยากไม่มีใครอ่านพูดได้อย่างนั้นฝ่ายช้างใหญ่ก็สนใจฟังด้วยความสนิทติดใจไม่กระดุกกระดิกอวัยวะกระทั่งหูหางจนพระท่านเทศจบกรรมและบอกให้ไปจึงยอมไปเที่ยวหากินตามประาศาสตว์ที่แสนดีหายากจึงทําให้คิดซึ้งในใจเพิ่มเข้าไปอีกว่าไม่วรศาสว์ว่ามนุษย์ถ้าได้ ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้วย่อมทำให้หูแจ้งตาสว่างไปได้เหมือนไม่มีกลางคืนใจรทราบส่านปริดิพิติวามพอใจใจดีในปิยะวาจาที่แสนมีรสชาติซึ่งปราถนามานานแม้จะรับประทานไปนมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจท่านอาจารย์องค์นี้ท่านช่างพูดช่างยอ พูดย่อซะจนช้างใหญ่ตัวนั้นเคลิ้มหลักไปด้วยคําอ่อนหวานที่มีรสซึ้งฝังอยู่ภายในเช่นคําว่าพี่ชายพี่มีกําลังมากส่วนน้องเป็นผู้น้อยไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชายน้องกลัวพี่ชายมากฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าวจนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่างแม่มาขามเปรี้ยวที่เดีหลงเคี้ยวกลืนเข้าไปบ้างแล้วก็อยากจะคลายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้น่ารักน่าสงสารเสียสิ่ง ไม่อยากให้ติดปากติดทองไปเสเลยจะเสียศักดิ์ศรีของช่างตัวใหญ่มีกําลังและแสนรูกระหนึ่งตู้มางคนเคลื่อนที่ได้พอได้รับคําสั่งสอนเต็มพุงแล้วก็ไปเที่ยวหากินตามลําพังไม่ได้มาเกี่ยวข้องรบ ก, กวนพระท่านอีกเลยกระทั่งท่านออกภาษาแล้วทเที่ยวไปที่อื่นก็เมตปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีกจึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรูองค์ท่านเองก็ออกทเที่ยวไปตามอธัธยาศัย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 พอฉันเสร็จก็เริ่มเดินจงกรมสายพุทธบูชาจนถึงเที่ยงวันท่านจึงหยุดพักพอบ่ายสองโมงก็เริ่มลงเดินสายธรรมบูชาจนบ่ายสี่โมงถึงเวลาปัดกวาดส่งน้ำจึงหยุดเมื่อทําข้อวัดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังค บ, บูชาไปจนถึงสี่ถึงห้าทุ่มจึงเข้าที่พักภาวนาหลังจากนั้นก็พักจาวัดพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาจนสว่าง ถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไปจนถึงเวลาออกบินธบาตก็ยหยุดเดินบางคืนท่านนั่งภาวนาจนตลอดสว่างโดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยก็มีคืนที่ท่านนั่งภาวนาตลอดรุ่งใจรู้สึกสว่างสวยมากแม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกติขณะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นปรากฏว่าโลกทธาตดุดับหายไปจากความรู้สึกโดยทิ้งเชิง แม้กายตัวเองก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลานั้นเป็นความอาัศจรรย์อย่างยิ่งน่าแต่ขณะนั่งพิจารณาทุกขเวทนาจนดับไปด้วยการพิจารณาจิตได้ยังลงสู่ความสงบอย่างละเอียดแนบแน่นขณะนั้ น, น, น, นปรากฏเฉพาะความรู้เพียงอันเดียวที่ทรงตัวอยู่ด้วยความสงบสุขละเอียดอ่อนจนบอกไม่ถูกไม่มีอารมณ์ใดแม้ส่วนละเอียดปรากฏขึ้นภายในจิตจึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไป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 จิตรวมสงบอยู่เป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงถ้าคืนใดจิตภาวนาสะดวกสงบลงได้ง่ายคืนนั้นแม้จะนั่งจนตลอดรุ่งก็เท่ากับนั่งราสองสามชั่วโมงเท่านั้นไม่ทําการกดทวงเนิ่นนานอะไรเลยท่านว่าท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเผชิญอันตรายเกี่ยวกับช้างมากกว่าอย่างอื่นท่านว่าพอผ่านอันตรายจากคราวนั้นมาแล้วไม่นานนักเลยก็ปไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเข้ออีกที่แม่ฟา จังหวัดลำปางแทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆไม่ได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้นคือตอนกลางคืนท่านกำลังเดินจงมรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝาดงและเสียงไม้หักปึงปังปึงปังมาตลอดทางโฉมหน้าวุ่งมายังท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกทีจะลก ป, ปีกปีกหนีไปไหนก็ไม่ทันจึงตัดสินใจว่า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 มีแต่ตั้งสัตยาธิฐานขอบันดาลคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองป้องกันอย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้ทำอันตรายแก่ข้าพระพุเจ้าได้พออธิฐานจบลงช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดีและหยุดยืนกลางหูตัวพึองอยู่ไม่กระดุกกระดิกอ ว, วัยวะส่วน ใ, นใดๆหน้าข้างทางจงกรมห่างจากท่านประมาณวาเศษท่ามกลางไฟกาลังสว่างสวยอยู่รอบตัวท่านเวลานั้น ซึ่งมองเห็นช้างได้ขนาดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่ยอมๆนี้เองท่านเองก็เดินจงกลมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลยทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหายอย่างพึงผายทีแรกมีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุะทวยอย่างเหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกันชีวิตเท่านั้นนอกนั้นไม่คิดเห็นอะไรเลย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 เราเก็จะแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับเพราะลักษณะท่าทางที่มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือนจะเข้ามา ข, ขยี้ขยำย่างไม่มีรีรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลยแต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืนตัวแข็งทื่อเร้วกับสัตว์ที่มีหัวใจเพราะจิตกับพุโทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัวมีห น, นายังกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้น แต่มาคิดอีกแง่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหามันซึ่งเป็นตรายเป็นฐานะแห่งความประมาทอว ด, ดีก็ได้เป็นสิ่งไม่ควรทำจึงเป็นเพียงเดินจงกรมแข่งกับการยืนของมันอย่างอง อ, อาจกล้าหาญ ร, ราวกับไม่มีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นในที่นั้นนับแต่ขณะช้าตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษไฟเทียนไขชนิดตีดีด ย, ยาวๆที่จุดไว้บางเล่มก็หมดไปบางเล่มก็จนจะหมด มันจึงได้กลับหลังหันแล้วเดินกลับออกไปทางเก่าและเที่ยวหา ก, กินในแถบบริเวณนั้นเสียงหักไม้กินเป็นอาหารชนันตาไปหมดท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวนั้นเป็นครั้งแรกเพราะเป็นคาจําเป็นจริงๆไม่สามารถจะหลบหลีกติดตัวไปที่ไหนให้พ้นได้นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้นแม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือได้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 แลดูท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างไม่เบื่อพอดูเต็มตาแล้วก็กลับหลังหันคืนทางเก่าแล้วเที่ยวหากินไปเรื่อยๆแบบพอไม่รู้ร้อนและหายเงียบไปเลยซึ่งเป็นสาธินารักอีกตัวหนึ่งไม่ด้อยกว่าตัวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นสัตว์บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดีสําหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว ป, ป่ามาแต่กําเนิดซึ่งมีอายุไม่ต่างกว่าร้อยปีไม่อาจรู้ภาษาคนได้ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมัน เป็นแต่เดินจงกรมเฉยอยู่เท่านั้นตัวหลังนี้ไม่มีลูกโพลนแหวนคอเหมือนตัวนั้นทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นนายโขงมานานเฉพาะคราวนี้ทําไมจึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบอาจจะพลาดจากโขงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้แม้ช้างตัวนั้นหนีไปแล้วท่านยังเดินจงกรมต่อไปด้วยความอัศจรรย์ใจและเห็นคุณของช้างตัวนั้นที่มาช่วยให้จิตท่านได้เห็นความอัศจรรย์ในธรรม เกี่ยวกับความกลัวความกล้าแต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัยช้างตัวนั้นจึงเป็นเหมือนช้างเทวบุตรหรือช้างเทพบันดาลก็น่าจะไม่ผิดเพราะธรรมดาช้างในป่าซึ่งไมนคุณเคยและให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วจึงรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดทั้งนั้นแต่ช้างตัวนี้ตั้งหน้าตั้งตาเดินมาหาเราอย่างอิสระ ไม่ได้ถูบังคับขับไล่ด้วยวิธีใดๆจากผู้ใดและเดินมาหาเราทั้งที่ไฟก็ตามสว่างอยู่รอบด้านแทงที่มันจะตรงเข้าขยี้ขยำเราให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปด้วยกําลังก็ไม่ทําหรือจะตื่นตกใจกลัวไฟรีบวิ่งหัวสุกหัวปมเข้าป่าไปก็ไม่ไปเมื่อเดินอย่างองค์อาจชาติอาชาในเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้วยังกลับยืนทื่อดูเราอยู่เป็นเวลาตั้งชั่วโมงเสเศษจึงหนีไฟแบบธรรมดา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 ความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงใหเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นพระเหตุนี้ที่พระสุดงกรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ฝ่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสําหรับจิตผมเป็นชนีส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนเหมือนกันเพราะจิตเป็นสถิตเป็นที่สถิตยู่แห่งธรรมและกิเลส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 เป็นขณนะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปะกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอํานาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราพูดจะฆ่ามันให้จีบหาสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแกลนอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียดยซ้ําแต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยเท่านั้นจิเลสตัวดื้อด่านตา น, านทานความเพียนเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่าย สั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทายก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ํามันเครื่องหล่อเลื่นไม่ฝ่าฝืนทางที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจทำที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างสวัยและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ซาบภายหน้าไปไหนจึงทําให้เห็นได้ชัดว่า ความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตา ม, มานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงดวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทําให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันก็ยังพอให้เรารู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่น่ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตรต่างหา จึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่แล้วแล้วมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งสตูที่มาในสภาพแห่งนี้เหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแลจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ต่างความรู้สึกของผมว่าคนเราถ้าหวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ไฟใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริง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 เราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดําเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไมิได้สนใจกับเหตุคือวิธีดําเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงาาากายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดําเนินเพื่อมักผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับทำอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสําเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสําเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนตามกําลังสติปัญญาของตนเพราะครั้งพุทธการกับสมัยนี้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 มีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยุลปนใจอันจะทําให้กิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในกําเริบลําพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงบเพื่อกําจา ก, กิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตฏะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสําหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจ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 อันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกําลังเพื่อทําลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันทุงทีกิดเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกําลังขึ้นทําลายจิตได้ทำซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นใจต้องเป็นผู้มีสติะระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหลคือทํานกเครื่อง ป้องการกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบกำพร่องและทําความพยายามกำจัดปรับปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิต ก, กลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าชาา้าเผาพลางกิเลสทั้งมวลด้วยสัพพธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาพลานทําลายคําว่าฌานก็ดี สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีอิมุตหลุดท้นก็ดีและคําว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลําดับไม่กําหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏไปจักกับใจในสถานที่บําเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหลไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าทำจเจริญที่ใด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 เท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะกิดตะกายและลุกๆุบคลุกคลำเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนโดยถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลประลาพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นณที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่สถิตยอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้น และมีทุกกับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอํานาจมากเหนือสิ่งใดในโลกทั้งสามที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทําการขุดค้นขุดค้คดคนบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรดกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้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 จนบัดนี้ท่านวาบางครั้งท่านอาจารย์องค์นี้เกิดความสงสัยเรียนถามท่านอาจารย์มั่นท่านยังดูเอาโดยท่านว่าถามเอาแบบตามความชอบใจของตนไม่ได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็นอย่างไรบ้างความสงสัยที่เรียนถาม น, นั้นมีว่าในครั้งพุทธกาลตามประวัติว่ามีผู้สําเร็จมากผลิพานมากและรวดเร็วกว่าสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสําเร็จกันแม้ไม่มากเหมือนทางโน้น หากมีการสำเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมากท่านย้อนถามทันทีว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านพูดได้สำเร็จมากขนกันแม้สำเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้ท่านเรียนตอบท่านว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครสำเร็จเหมือนครางโนนซึ่งเขียนไว้ในตำราว่าสำเร็จกันครั้งละมากมาแต่ละครั้งที่พระเจ้าทรงแสดงทำโปรด ตลอดการบำเพ็ญโดยลําพังในที่ต่างๆก็ทราบว่าท่านสําเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดายจริงๆน่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทําแทบพรมแทะจายก็ไม่่อยปรากฏผลเท่าที่ควรเกิดเหตุบ้างเลยอันเป็นสาเหตุให้ผู้บําเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อความเพียรท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่าครางโน้นในตําราท่านแสดงได้หรือว่าผู้บำเพ็ญล้วนเป็นผู้สําเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายทันใจทุกรายไปหรือมีทั้งผู้ ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าผู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าและผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอันเป็นประจำประเภทของบุคคลที่มีภูมิอุปนิสัยวาสนายิ่งยอมต่างกันท่านเรียนตอบว่ามีแบ่งภาคไว้ต่างๆกันเหมือนกันนี้ได้มีแต่ผู้สําเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายได้อย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติลำบากทั้งสําเร็จได้ช้าและปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มี แต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแม้จะมีแบ่งประเภทบุคคลไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้ท่านอาจารย์อธิบายว่าข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะนําถูกต้องแม่นยําผิดกันตลอดอํานาจวาสนาระหว่างพระุธเจ้ากับภาษาวกและพวกเราผิดกันอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจทําต่างกันมากสําหรับสมัยนี้กับสมัยพิจารณาแม้พื้นเพนิสัยก็ผิดกันกับครั้งนั้นมากเมื่ออะไรอะไรก็ผิดกัน ผลจะให้เป็นเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้อื่นสมัยอื่นให้เยื่อนเยอะไปมากแม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติซึ่งกําลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้นด้วยวิธีเดินจงกรมอยู่บ้าง น, นั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างแต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรทางกายส่วนใจไม่ได้เป็นความเพียรไปตามกิริยาเลย มีแต่ความคิดสั่งสมกิเลสความกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรด้วยวิธีนั้นๆดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือ ก, กสถานที่แล้วก็มาเหมาเอาว่าตนทำความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธินะัสั่งสมยาพิษทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหากไม่ได้ตรงความจริงตามหลักแห่งความเพียรเลย ฉะนั้นครั้งพิจารการที่ท่านทางความเพียรด้วยความจริงจังหวังทุกทุกจริงๆกับสมัยที่พวกเราทําเล่นเราวเด็กกับตุ๊กตาจึงนํามาเทียบกันไม่ได้เกินเทียบไปมากเท่าไ ย, ยิ่งเป็นการขายกินเลยความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้นผมแม้เป็นคนในสมัยทําเล่นเล่นลงลวงตัวเองก็ไม่เห็นด้วยคําพูดดูถูกศาสนาและดูถูกตัวเองดังท่านว่ามานั้นถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอมีสารคุณอยู่บ้าง ถ้าลองทําตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูสิอย่าทําตามแบบที่กิเลสพาชุดลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแม้ขณะกําลังเข้าใจว่าตนกําลังทําความเพียรอยู่มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลางจะเป็นสมบัติอันพึงใจแก่ท่านในวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่มีคำํำพยากลําบากและสาเร็จได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลยขณะที่พวกเราทําความเพียร แบบกระดูกจะหลุดออกจากกันเพราะความขี้เกียจแอบแออยู่เวลานี้ผมเข้าใจว่าเหมือนคนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆ เ, เท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งโลกแต่หวังให้ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียวซึ่งเป็นวันที่หน้าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นอย่างไรพวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความเพียรของท่านผู้เป็นสักยะบุตรพุทธาสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทํากันกับความเพียรของพวกเรา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 คำถามของท่านที่ถามผมเป็นเชิงชมเชยาศาสนาธรรมชมเชยการสถานที่และบุคคลในครั้งพุทธกาลแต่ตำหนิาศาสนาธรรมตำหนิการสถานที่และบุคคลในสมัยนี้จึงเป็นคำชมเชยและติเตียนของโมงคะบุรุษสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางเล็ดลอดปลอดจักภายไปไม่ได้และเป็นคำถามของคนสิ้นท่าเป็นคาถามของคนผู้ตัดนากั้นทางเดินของตัว ไม่ได้เป็นคำถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโลกพอมีทางปลอดโปร่งโร่งใจเพราะความสนใจปลดเปลื่องตนจากกิเลสด้วยสวาขาธรรมอันเป็นมัชชิมาที่เคยให้ความเสมอภาคแกส่สรรโลกผู้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมาแต่อย่างไดเลยถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื่องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้างแม้โดยการเทียบเทียงว่าโรมทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดา เมื่อสนใจรักษาและโรคถูกกับยาย่อมมีทางสงบและหายได้ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้สนใจรักษาโรคย่อมกํำเริบและเป็นอันตรายได้นอกจากโรคหวัดหรือโรคเล็กๆใน้อยตามผิวหนังซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามการของมันโรคกิเลสซึ่งไม่ใช่โรคหิดโรคเขาโรคกลากโรคเกลื่อนพอจะหายไเองต้อง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 เป็นผู้ตรัสรธรรมด้วยพระปีชาสามารถทรงประกาศศาสนาธรรมไว้โดยชอบและเป็นนิยาเนกรรนธรรมนำสาธิข้ามพ้นได้จริงไม่ตำหนีตีเตียนตนว่ามีกิเลสนาทำให้รู้ธรรมได้ช้าโดยไม่สนใจแก้ไขไม่ตีเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่ติเตียนพระธรรมว่าไร้สมรถภาพหรือเรียวแหลมไม่สามารถแก้กิเลส ข, ของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาล ท่านอาจารย์มั่นว่าท่านมี่เด็ดปฏิเสธเกี่ยวกับกิเลสของคนที่มีหนาบางต่างกันและยอมรับว่าคนในพุทธสมัยมีความเบาบางมากกว่าสมัยปัจจุบันแม้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายผิดกับสมัยนี้อยู่มากประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นส่วนมากมีพระศาสราเป็นพระประมุประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรมแก่มูชนการสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริง ทรงทอนออกมาจากพระไทยและใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆหยิดยื่นให้ผู้ฟังอย่างสดสดร้อนๆอนไม่มีทําแปลกปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลยผู้ฟังก็เป็นผู้มุงต่อความจรงิงอย่างเต็มใจซึ่งเป็นความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆตามความคาดหมายของผู้มุงความจรงิงจึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นคนสําเร็จมรรคผลกันทีและมากๆจากการแสดงธรรมแต่ละครั้งของพระาศาสดาและพระสาวกส่วนสมัยนี้ ไม่ค่อยมีใครสำเร็จได้คลายกับคนไม่ใช่คนทำไม่ใช่ทำผลจึงไม่มีความจริงคนก็คือคนทำก็คือทำอยู่นั่นเองแต่คนไม่สนใจทำทำก็เข้าไม่ถึงใจจึงกลายเป็นว่าคนก็สักว่าคนทำก็สักว่าทำไม่อาจยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แม้คนจะมีจานวนมากและแสดงให้ฟังทั้งพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนเทน้าใสหลังหมามาสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือ ทำจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉะนั้นท่านถามอาจารย์องค์นั้นว่าท่านเล่าเวลานี้ใจเป็นเหมือนหลังหมาหรืออย่างไรกันแน่จึงโมตันนิจะทําโดยถ่ายเดียวว่ามายังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อสำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายๆเหมือนครั้งพิการโดยไม่คํานึงใจตัวบ้างซึ่งกําลังสลัดปัตธรรมออกจากใจยิ่งความหมาสลัดน้ําออกจากหลังของมันทย้อนมาคิดถึงความบกพ ร, ร่องของตนบ้างผมเข้าใจว่า ทาจะมีที่ซึมซาบและสถิตยอยู่ในใจได้บ้างไม่ไหลผ่านไปผ่านไปเรากับลำคลองไม่มีแอ่งเก็บน้ำดังที่เป็นอยู่เวลานี้คนสมัยพุ้การมีกิเลสบางหรือหนาก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยนั้นโดยเฉพาะไม่ได้มาทําความลำบากหนักใจให้แก่คนคนสมัยนี้่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลกให้อยู่ ทำไม่สนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเทิงเผากันบ้างการตําหนิติชมใครและสมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิน้นถ้าไม่สนใจตําหนิติชมตัวเองผู้กําลังก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่ด้วยเวลานี้อันเป็นการพลากไฟราธะโทสะโมหะออกจากกันละกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ควาสมสงบสุขได้บ้างไม่ร้อนระอุ ด, ด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัวสมกับ โลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ผู้ฉลาดกว่ า, าสัตว์อื่นๆบรรดาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้ท่านว่าท่านอาจารย์มั่นเข็นใหญ่เกี่ยวกับปัญหาโลกแต่ของเราที่เรียนถามแม้ไเรียนมากมายนักแต่เวลาท่านจิบยกออกมาคล้ายกับปัญหานี้เป็นเสี้ยนน้ำแกแ่พระศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะเยียวยาไม่ได้เรารู้สึกผิดโทษของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวันทั้งที่ความจริงเราก็ไม่ได้สงสัยว่า สมัยนี้จะไม่มีผู้สามารถบรรลุทําได้ท่านเลยสับเคห์เอาเสียนับว่าพอดีกับคนปากไวอยู่ไม่สุขแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังทำท่านอย่างถึงใจเท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึงเสี้ยวแห่งธรรมลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงท่านเลยนั้นยิ่งดึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งกว่ามาหาสมุทรสุดสาครและไฟในนรกแม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผมอย่างเน็ตแนมเรื่อยมา บางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานผมต่อหน้าที่ประชุมอีกด้วยมาให้เสร็จสิ้นลง ง, ง่ายๆว่ามิจฉาทิฐิบ้างเทวทัตทําทลายาศาสนาบ้างแลกไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยจนทําให้หมู่เพื่อนสงสัยมาถามก็มีว่าเป็นดังท่านว่าจริงหรือจริงจริงหรือผมต้องได้ชี้แจงให้ท่านทราบว่าผมไม่ได้เป็นไปตามปัญหาที่เรียนถามท่านเป็นแต่อุบายเพื่อฟังธรรมท่านทั้งนั้น ปกติถ้าไม่มีอุบายแปลกๆขึ้นเรียนถามท่านไม่เทศให้ฟังแต่การยกอุบายขึ้นเรียนถาม น, นั้นผมเองก็โง่ไปโดดไปกว่าเอาคอนมาให้ทันตีหัวเอาแทนที่จะยกอุบายอันราบเรื่นดีงามขึ้นเรียนถามและฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอตามปกติก็เป็นดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าให้ฟังถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเรียนถามท่านก็พูดไปธรรมดาแม้เป็นธรรมก็เป็นไปอย่างรียบเรียกไม่ค่อยถึงใจนะ เมื่อเรียนถามปัญหาชนิดแปลกๆรู้สึกท่านคึกคักและเนื้อธรรมที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับความต้องการดังที่เคยเรียนแล้วในประวัติท่านความจริงท่านก็ไมิได้สงสัยท่านอาจารย์องค์นี้ว่าเห็นผิดไปต่างๆดังที่ท่านดูดาขู่เข็นแต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดงธรรมย่อมมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเพื่อปลุกประสาทผู้ฟังให้ได้จคิดเป็นขสิเตือนใจเป็นนานบ้าง ไม่เช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลยและจะกลายเป็นกบเฝ้าปอบวอยู่เปล่าๆพอถูกท่านสับเขเสียบ้างดูเหมือนหูตั้งตาสว่างขึ้นในบ้านนิสัยพ่พะดุวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นชอบขูเข็นสับเขกอยู่เสมอจึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้างถ้าแสดงไปเร็ยบเรียบฟังไปเงียบงียบไม่มีที่สดุดฉุดใจให้ตื่นเต้นตกใจรักลบ้าง ใจคอยตจจะหลับในไม่คอยได้อุบายพอเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลยกิเลชนิดต่างๆที่คอยจะแซงหน้าอยู่แล้วมักได้โอกาสออกเคลื่อนผ่านก่อกวนและรนะังควานใจเพราะอุบายไม่ทันกับความฉลาดของมันเมื่อได้รับอุบายแปลกๆจากท่านเพราะการเรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุสติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแผลฟ้าวขึ้นบาดังนั้นที่ท่านอาจารย์องค์นี้เรียนถามท่านอาจารย์มั่นแม้จะผิดบ้างถูกบ้าง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 ในภาษานั้นจึงดีใจมากและเร่งความเพียรใหญ่แทบเป็นหลับนอนบางคืนประกอบความเพียรตลอดรุ่งคืนวันหนึ่งจิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมาเกิดความอัศจรรย์ในความสว่างสวยของใจซึ่งไม่เคยเป็นถึงขนาดท่านมาก่อนทำให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่างขาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนวันนั้นพอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปทาข้อวัดอุปถาคท่านอาจารย์มั่น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 คืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนละท่านสว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทกตัวสัน่นที่ไม่เคยได้รับคำชมเชยแกมคำซักถามเช่นนั้นแต่ก่อนทำไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็นนั่นแลทธรรมท่านจงทราบเสียแต่บัี้ิตจนต้นไปทำอยู่ที่ใจนั่นแลต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียรไว้ให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นั่นแลคือฐานของจิตฐานของธรรม ฐานของความเชื่อมั่นในธรรมและฐานแห่งมรรคผลิพานอยู่ที่นั่นแหลจงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกการพ้นทุกต้องพ้นที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นเป็นที่หลุดพน้นอย่ารูปคล้ำให้เสียเวลาเราไม่ใช่คนตาบอดพอจะลูปคล้ำคืนนี้ผมส่งกระแสะจิตไปดูท่านเห็นจิตสว่างสไสวทั่วบริเวณกําหนดจิตส่งกระแสะไปทีรายเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่างเพราะคืนนี้ผมไม่ได้พักนอนเลยเข้าสมาธิภาวนาไปบ้าง ตอนรอบแขกเทพบางกําหนดจิตดูท่านบ้างเรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึกพอออกจากที่จึงต้องมาถามท่านเพราะอยากทราบเรื่องของหมู่คณะมานานสบายไหมอัศจรรย์ไหมทีนี้ท่านถามท่านลาว่าท่านนิ่งไม่กล้าเรียนตอบท่านเพราะท่านดูตารูปอดเราจนหมดแล้วจะเรียนตอบเพื่อประโยชน์อะไร